สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับการถือปทตอนที่สองครับพระเจ้าเป็นคงเหมือนเดิมนะครับมัทธิวบทที่หกข้อสิบหกถึงสิบแปดโปรดฟังพระเจ้าเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าชื่อใจคดด้วยเขาทำหน้าให้มองแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่า เขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บําเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ํามันใส่ศีรษะเพื่อคนจะไม่รู้ว่าถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลั์และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบําเห็จแก่ท่านนี่นะครับในเช้าวันนี้ก่อนจะพูดถึงการอดนะครับ อยากจะพูดเรื่องการกินก่อนครับแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีความจําเป็นทางธรรมชาติก็คือการบำรุงเลี้ยงตัวเองก็คือการกินเรากินเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรากินเพื่ออยู่นะครับแต่อย่าให้เราอยู่เพื่อกินในขณะเดียวกันครับความจําเป็นเรื่องการกินอาหารนี้ทําให้มนุษย์ต้องวางใจในพระเจ้าผู้สร้างในเรื่องของอาหาร พี่น้องจำได้ไหมครับเปเยซูทรงสอนให้เราอาธิษฐานตามแบบอย่างของพรปเยซูที่กาสอนว่าตรวจประทานอาหารประจําวันเห็นไหมครับว่าการเป็นมือเลี้ยงตัเองด้วยการกินนั้นก็ยังมีความสําคัญอยู่มนุษย์จะต้องวางใจในพระเจ้าในเรื่องอาหารการกินถ้ามนุษย์ไม่มีความต้องการทางธรรมชาติในเรื่องอาหารการกินแล้วเขาก็จะลืมพระเจ้าได้โดยง่ายการกินนั้นเป็นความุกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเป็นความพึงพอใจ เมื่อเราได้กินสิ่งที่เราชอบเมื่อเราได้รับประทานสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างให้กับเราพระเจ้าอนุญาตให้อาดัมทานผลไม้ในสวนพระเจ้าตั้งใจให้ผลไม้นั้นเป็นสิ่งเดียวที่บำรุงอาดัมให้อาดัมเกิดความปืนพอใจครับแต่เมื่ออาดัมเริ่มทำบาปพระเจ้าก็เริ่มขยายวงของอาหารนะครับวันนี้เราไม่มีเวลาพูดถึง เรื่องกล่านี้เรื่อพัฒนาการของอาหารของมนุษย์นะครับแต่ว่าให้เรารู้ว่าการกินนั้นเป็นการที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เรากินได้ครับในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าเมื่อเราอดนั่นก็เป็นน้ำมันไทยขอพระเจ้าอย่างหนึ่งในการที่เราจะอดนะครับพี่น้องครับมีคนหนึ่งทขาเขียนไว้แล้วก็เขาพูดอย่างนี้ครับว่าการถืออดอาหารนั้น ป้องกันไม่ให้สิ่งฟุ่มเฟือยกลายมาเป็นสิ่งจําเป็นไม่ให้สิ่งฟุ่มเฟือยกลายเป็นสิ่งจําเป็นเกิดจากการถืรออดการถืออดอาหารนั้นเป็นการป้องกันหรือปกป้อ ง, งจิตอินทาีของเราจากการบุกรุกของเนื้อหนังนะครับก็คือว่าความกิงเลี้ยงจะมีเขตนะครับมันยังมีเช่นระหว่างเนื้อนหนังกับจิตอินญรีนะครับเนื้อนหนังกับจิตใจนะครับความอยากกับความหิวนะครับความอิ่มกับ ความพึงพอใจมันมีเส้นอยู่ครับในแต่ละด้านแต่ละเรื่องของชีวิตของเราการกดอาหารหรือการถืออดนั้นก็ปกป้องวิญญาณนะครับฝ่ายวิญญาณของเราจากการบุกรุกของเนื้อหนังจากความสมบงบสบายความอิ่มเ็มใจความพึงพอใจของเนื้อหนังเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้นะครับในขณะเดีวยวกันครับการถืออดนั้นจะควบคุมคนที่ถืออดนั้นจะควบคุมตัวเองนะครับควบคุมร่างกายตัวเองได้ ยังสามารถที่จะทํางานของพระเจ้าได้ด้วยในการถืออดนั่นก็คือเป็นการฝึกฝนนะครับเป็นการฝึกฝนผลของพุ่งยันบริสุทิ์อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เจ้าครับการบังคับตนนะครับการรู้จักบังคับตนหรือที่เรียกว่าเซลฟ์คอนโทรลนะครับนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ร่างกายจะบังคับจิตใจได้นะครับความหิวนะครับจะสามารถที่จะสร้างให้เกิดการรู้จักบังคับตัวเองได้นี่นะครับวันนี้ ผมจะพูดถึงเรื่องของการอดอาหารที่ใหญ่ๆนะครับเรื่องเลียวนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะพูดต่อไปนะครับการอดอาหารนั้นถ้าถามว่าทาไมคริสเตียนต้องถืออดด้วยนะครับคริสเตียนเราจะถืออดนะครับโดยสองอย่างครับก็คืออดเพื่อส่วนรวมแล้วก็อดเพื่อส่วนตัวนะครับในพระเจ้าของพระเจ้านั้นได้ทำให้เรารูว้ว่าการอดเพื่อส่วนรวมนั้นก็เกิดขึ้นครับอดเมื่อเผชิญกับวิกฤตการต่างๆ นะครับวิกฤตการ ต, าต่างของประเทศชาติด้านเมืองครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าประเทศชาติเมืองนั้นในบวัติศาสตร์ของชาวอิสอราเอลเขาถืออดอาหารอย่างไรในพระคัมภีร์ครับชาวอิสอราเอลได้ถืออดอาหารเมื่อเผชิญกับวิกฤตการบางอย่างนะครับและเหตุการณ์กันหนึ่งก็คือการทําลายล้างชนชาติของพวกเขาเทียวกับเขาเริ่มถืออดเมื่อคนเห็นเริ่มเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นครับ ขณะเมื่อทุกคนร่วมกันถืออดนั้นก็จะมีการแสดงออกร่วมกันของประเทศชาติของประชาชนในชาตินั่นคือการอธิษฐานครับอธิษฐานร่วมกันเพื่อทูลขอความรอดจากระเก้าเพราะฉะนั้นการถืออดนั้นจะต้องเป็นเวลาแห่งการอธิษฐานยิงวลเมื่อเราถืออดเพื่อชนชาติของเราเพื่อให้ชนชาติของเรารอดพ้นจากวิกฤตการนี่นะครับเรามาดูโลกของเรานะครับโลกของเราโลกของเรานั้นก็เคยหา ความช่วยเหลือกับพระเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแต่เวลานี้ครับโลกก็ถอยห่างออกจากความเชื่อตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าพระเจ้านั้นอยู่ห่างไกลพระเจ้าช่วยไม่ได้และบางคนก็ทิ้งพระเจ้านะครับมีพี่น้องบางท่านนะครับเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีก็คาดว่าเกาหลีนั้นจะเป็นประเทศที่มีคริสเตียนเยอะนะครับเพราเคยได้ยินว่ามีคริสเตียน เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวปรากฏว่าท่านนั้นก็ไปเจอจกับวัยรุ่นครับซึ่งเขามาช่วยงานอยู่ก็เลยถามว่าคุณถือศาสนาอะไรไวัยรุ่นบอกว่าข้าพระเจ้าไม่มีศาสนาครับถามอีกคนหนึ่งท้าพระเจ้าก็ไม่มีศาสนาครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงให้เห็นว่านี่คือวิธีการของประเทศชาติบรรพุทธของเ้านั้น มีความเชื่อในพระเจ้าแต่เวลานี้ลูกหลานนะครับในเจเนอเรชันที่เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆก็จะไม่มีใครที่เป็นคริสเตียนแท้นะครับและหลายหลคนก็เลิกเชื่อในพระเจ้าถามว่าอย่างนี้คือวิกฤตการณ์ไหมครับบางคนบอกว่าเป็นวิกฤตการบางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นวิกฤตการครับแต่คนที่มองเห็นอันตรายก็จะพบว่านี่คือวิกฤตการ เพราะคริสเตียนจะต้องถือออาหารเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการกลับใจนะครับสัญักษแห่งการตึ่งความพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยโลกนี้ได้พระเจ้าจะทรงช่วยประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้ถ้าคริสเตียนสำแดงความจริงใจแห่งความเชื่อโดยการอธิษฐานเสือนะครับพร้อมๆกันและถืออดอาหารนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับสําหรับหลายๆท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในความสุดสบาย ในพ ร, ระเจ้ของพระเจ้านะครับสองพงศ์สด่านบทที่เจข้อสิบสี่ทำให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราร้องเพลงบ่อยๆนะครับและ พ, ะพระเจ้าตอนนี้ได้ทำให้เรารู้ว่าเร า, าต้องกลับใจเสียใหมน่นะครับผมอยากให้ฟังครับโปรดฟังพ ร, ระเจ้าครับถ้าประชากรขอ ง, ของเราผู้ชื่อเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวเลยและอธิษฐานจะแสวงหาหน้าของเรา จะหันเสียจากทางชั่วของเขาเราจะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายนี่คือเงื่อนไขที่นําไปสู่การฟื้นฟูของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับก็คือคนของมระเจ้าต้องกลับใจใหม่ถ้าคริสเตียร่วมใจกับนิสาและถืออดโลกนี้ก็จะความรอดและหันกลับมาหาพระเจ้านะครับก่อนที่จะจบวันนี้ครับผมจะขอยกตัวอย่างเอสเทอร์นะครับและคนชาติอิสราเอล เอสเทอร์ e และชนชาอิสรเอนั้นก็ได้ปรากฏอยู่ในการถือบทเพื่อชนชาติของเขานะครับเพื่อส่วนรวมอยู่ในบทที่สามของเอสเทอร์ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบห้านะครับเพราะที่ว่าฮามานผู้ทักฮามานซึ่งไม่ใช่เป็นคนยิวนะครับคิดแผนการทำลายชาวยิวและชวนกระสัสงหรสารชาวยิวทุกคนและนี่ครับอิสราเอลจะต้องเผชิญกับวิกฤตการระดับชาติครับ เอสเตอร์เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถทำให้กษัตริย์เปลี่ยนคำบรญชาของพระองค์ได้นางเอสเตอร์นะครับนางเอสเตอร์ก็ขอร้องว่าไปเถิดที่น้องฟังนะครับให้รวบรวมพวกยิวทั้งชิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันยารับประทานยาดื่มสามวันกลางคืนหรือกลางวันฉันได้ขาวใช้จะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันฉันจะเท่าเข้าพระราชา แม้ว่าจะเป็นการข่าวฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศพี่น้องดูความนี้สิครับถ้าฉันพินาศฉันก็พิจาศนี่คือความใจเด็ดวิความเด็ดเดี่ยวของเอสเธอร์ครับเอสเธอร์ก็ยังเชื่อเรื่องการถืออดหรือการกดอดทหารเพราะรู้ว่ า, าการอดอาหารนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นเมื่อเราต้องการอธิษฐานยิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนในชีวิต ในชีวิตของพวกเรานะครับในวันพรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องส่วนตัวครับแต่วันนี้จะพูดว่าจะมีใครไหมที่เห็นถึงวิกฤตการหรืออันตรายที่คืบคลานมาในระดับประเทศในระดับชาติก็คือชาติแ้าน้ำของเราหรือในระดับโลกนะครับเห็นสงครามเกิดขึ้ น, นตาน่างๆเห็นความขัดแย้งเห็นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเหมือนกันผมครับถากว่าพระวิญญาณได้ตรัสในจิตใจของพี่น้องนะครับขอ พวกเราที่จะเริ่มถืออดครับอดบางมือ้ออดบางอย่างนะครับอดอาหารบางอย่างบางประเภทเพื่อเราจะวิงวอนพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำในวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันใหม่เช้าวันจันทร์อาเมน